โผล่กวนกไลยึมเป็นสัตร่ายที่ถูกปืนด้วยแล้วอะไรผ่านหน้าอะไรเป็นกัดเป็นขีดไปทั้งนั้นี่ลักษณะของเสือที่เช่นลักษณะของเสือที่ถูกปืนเป็นอย่าง น, นอะไรผ่านาจะจะหน้าพอจะกัดก็ดขีดคอยจะพิจารณาตรายจองอะไร ในรอ บ, บขอบเราะความทุกขมันบีบบังคับจิตใจดายทีต่างๆที่ จ, จดัดแสดงออกในเวลาเจ็บปวดแสบร้อนมากๆแบบนั้นมันไม่ได้ออกด้วยความคิดแต่ออกเพราะเรื่องของความทุกข์ผลักดันให้ทำทำให้สงใจหนึ่งในความเจ็บปวดสองวยความ เทียดแทนแใครเป็นคนทำเราสิ่งที่สังใจที่สุดก็คือรู้แล้วว่าสัตมนุษย์เป็นผู้ถับใจที่ได้รับความทุกข์เดือดร้อนภายในเราก็ย่อมเป็นเช่นนั้นคนที่มีความทุกข์มากย่อมไม่ค่อยจะมีโอกาสใกล้ควรดูเหตุผลหลักทำดีชั่วนํมมัพิจารณาและแก้ไขกดเกลื่องจนไปตาม เหตุการณ์ที่ควรแต่จะทำจะคิดจะพูดอะไรตร้งแสดงออกเพื่อให้เป็นความสนใจด้วยอำนาจของความทุกข์นั้นกบดันออกมาให้ทำเช่นนั้นให้พูดหรือให้คิดเช่นนั้นอีกเป็นลำดับหนึ่ง <c oughs> ลักษณะที่กามาทั้าทางนี้ไม่ใช่เป็นทางที่จะยัง บุคคลให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยดีแต่จะเป็นทางหายะนะเป็นลําดับลาดับจนถึงความหายะนะที่แก้ไขไม่ได้สิ่งที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพทุพทธเจ้านั้นคือเหตุผลเป็นสิ่งสําคัญการปกครองตนการปกครองผู้อื่นต้องมีหลักเหตุผลเป็นเครื่องปกครอง หากปราศจากเหตุผลแล้วแม้จะปกครองขึ้ น, นั้นเขาก็ไม่พารู้จาเกินปกครองตนเข้าไปไม่รอดโรดจำให้ดีมีกาหลักคำความประกเหตุผลคือเหตุผลเป็นเครื่องปกครองผู้ปฏิบัติธรรมต้องถือเหตุผลประจันใจตนเอง เรื่อความอยากนั้นถือเป็นกามาไม่น่าแม่น้ำในมหาสมุทรยังมีเวลาขึ้นเวลาลดลงแต่ความอยากซึ่ถูกฉุดออกมาจากพิเรนตันฐานไม่มีเวลาลุกยอบลงเหมือนกันกับไฟได้เชื่อ ไม่อย่างไม่มีวันคืนปีเดือนตับกันทอา ไ, ไม่ก็ได้ทั้งนั้นขอแต่มีเี้ให้ใหม่ลกักษณะของกายก็ยองเป็นเช่นนั้นเหมือนกันทำมีเครื่องตรีตรที่จะให้คิดโด้วยความอยากเมื่มีสิ่งกดดันออกมากจาดกันหน่อยนี่แหละจิตจะชอบคิ ด, คดโดยแม้คาหนึง่งว่าเป็นกลางวันกางคืน หรือกำลังทำงานหรือทำอะไรอยู่มีทางที่อยากคิดได้ตลอดเวลาหากความคิดประเภทที่รุนแรงฝังใจทำให้คิดออกมาแล้วแม่นอนหลักก็ยังก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล น, นั้นอีกบางทีิงกับเลนมือเพื่อฝังกังกงนต่างต่างขนาดนั้น กีจกรรมาทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่แสดงออกเื่าาอความหายธรรมะจริงเป็นเหมือนกับทำนกขั้นน้ำที่เล็ดกันหาซึ่งไม่มีหลันยุบยอบนี้ให้ยุบยอบลงไปได้และเหยืดแห้งลงไปโดยไม่มีเหลือถ้าเป็นผู้สนใจ นำมาปฏิบัติปิดกั้นตนเองตามหลักเหตุผลที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้แม้จะมีความเปรุ่งเรืองสุดจีบ ส, สุดแดนก็ต้องมีความเปรุ่งเรืองตามฐานะของตนที่มีธรรมภาในใจจะให้เสียผลนั่นเป็นไม่เฉพาะ อ, อย่างยิ่งเราเป็นนักบวช ด, ด้วยแล้ว ต้องอยู่กำหลักเหตุผลทั้งนั้นไม่ว่าจะดื่มไม่ว่าจะฉันไม่ว่าจะไปจะมาไม่ว่าจะเป็นจิตนอกการหนเกี่ยวข้องกับใครก็ตามมีเรื่องอะไรก็ตามต้องให้มีหลักเหตุผลซึ่งออกจากความแค่ครวนที่เรียกว่าปัญญาเสมอเดินตามกันไปจากเ่องราวนั้นนั้น ถ้าสติกับปัญญาได้เดินตามเรื่องราวในเหตุการณ์ต่างๆแล้วจะไม่ผิดพลาดจะไม่ทำให้เสียหวังจะไม่ทำให้เดือดร้อนทั้งตนและผู้อื่นแต่จะเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอราบอรืร่นและเป็นที่พึงพอใจแต่ตนและผู้อื่นท่านต้องหมันตน จะสงวนเฉยๆโดยไม่มีเหตุมีผลก็จะเป็นการเหยียบย่ำตนลงโดยไม่รู้ตัวตามธรรมนาของความสงวนตนนี้ไม่มีอยู่เพียงชาตมนุษย์ของเราแม้แต่ดฏิริษานทุกๆประเภทเขาก็มีการสงวนตนของของเขาเหมือนกันคนโง่คนฉล า, า, าดคนมีคนจน มีการสังวนตนทั้งนั้นแต่อุบายวิธีที่จะให้ถูกต้องตามความสังวนตนนั้นเราจะปฏิบัติต่อตอนเองอย่างหลักมีเป็นเรื่องหนึ่งต่างหาเพราะฉะนั้นคนเราที่ทำอะไรผิดพลาดลงไปทั้งๆ ท, ที่ตนมุ่งหวั ง, งความสุขความเจริญและนำสิ่งนั้นๆเข้ามา เพื่อบำรุงตนซึ่งเป็นหลักใหญ่ของการของความต้งหนอนแต่ก็ทำให้พลาดลงไปเกี่ยมีเพราความไม่รอบคอบในเหตุผลคือเห็นเด็ดแต่เพียงได้ท่าเดียวไม่ได้คิดถึงความเดือดร้อนเยหารจะตามมาทีหลังลองคิดดูดัง ปลาที่กินเด็ดและตายด้วยเด็ดนั้นมีจานวนไม่น้อยคำว่าปลาไม่ใช่ว่าแต่ตายด้วยเด็ดเสียทุกตัวบางส่วนอาศัยอาหารจากเด็ดเลี้ยงชีพให้เป็นไปได้ยังไงปลาประเภทนี้คือปลาที่ฉลาดไม่กินเด็ดแต่กินเฉพอเหยื่อที่ติดอยู่กับเด็ดเท่านั้น แต่ปาตัวงโง่นั้นจะกืนไปหมดทั้งเหยื่อทั้งเด็ดเหยื่อที่ถูกกลืนเข้าไปแทนที่จะเป็นอาหารบำรุงร่างกายของก า, ากลับไม่ทราบเรื่องกันไปเล้ผลที่ปลากดรสชาตที่ไม่ถึงกรัชนาก็คือความเจ็บปวดแสบร้อนที่เกิดขึ้นจากเด็กเกาะปากนี่ชอบความไม่รับฟังเป็นอย่างนี้ เดือยแล้วไมมีอะไรปรากฏว่าลาได้รับมันเป็นความสุขความเจรสญจากนี้นอกจากนีแต่ความเจ็บปวดแสบร้อนเพราะถูกเบ็ดเกาะเท่านั้นมีอะไรเล่าเป็นลาอะไรเล่าเป็นเดือซึ่งที่มาเกี่ยวข้องจะสัมผัสทางตาทางหูทางจมงูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าผู้มีสติปัญญาจะเป็นโอชาลด อันหนึ่งจากสิ่งที่มาสัมผัสไม่แตกนํามาพิจารณาเป็นอัดเป็นทำได้ทั้งนั้นแต่ถ้าไม่ถ้าเหตุผลอุบายเป็นเครื่องพิจารณาจอยให้ตามความอยากอยากเห็นอยากฟังอยากดืมอยากสัมผัสถูกต้องอยากคิดอยากจูงประเด็นต่เพียงเท่านั้นนั่นเลย เป็นทางที่ร่อแหลมต่อเบ็ดคุกคุกขนาดทำว่าเบ็ดก็คือความคุกเหยื่อก็คือเยื่อของสมุทัยสมุทัยต้องชวนเสมอชวนให้คิดเคพื่อเบ็ดคือคิดเรื่อเรื่องทุกเบ็ดนั่นหมายถึงเรื่องทุกชวนให้พูดชวนให้สนใจในการเห็นการได้ยิน การสัมผัสการคิดการตร úng, ุงทางแต่นต่างๆนานาทั้งเป็นเรื่องอดีตทั้งเป็นเรื่องอนาคตเป็นเรื่องที่ชวนให้คิดให้ตรุงไปเรื่อยๆเพื่อเบ็ดสีอเรื่องกองคุกมาเผารนติดกันเป็นเรื่องของเหยือ่อและเป็นเรื่องของเบ็ดทั้งนั้นถ้ามีปัญญาไขชวน ดูในสิ่งที่จะควรเห็นควรฟังควรคิดควรดื่มควรฉันหรือควรรับผาควรสัมผัสถูกต้องควรจะคิดมาเป็นอารมณ์ภายในใจโดยปัญญาเป็นผู้นำทางสิ่งนี้ก็กลายเป็นโอชารสคือสัตยธรรมคํามสอมค่อยๆเขาใเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเป็นลำดับต่ mm. ดูในโลก แต่ไม่ได้ติดโลกกอกคือเรื่องนี้แหละเราจะหนีจากโลกนี้จะหนีไปไหนเพราะเราก็เป็นโลกคนหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่มีแต่โลกนอกตัวเราไม่ใช่โลกโลกนอกกับโลกของเรานี้ท่านเรียกว่าโลกอันเดียวกอยู่ในแหล่งแห่งโลกนี้เหมือนกันเราหนีจากโลกเราจะหนีไปไหนถ้าเราไม่หนีจาก ตัวของเราได้เราก็หนีจากโลกไม่ได้เพราะโลกคือขันท่าสี่ข้างนอกก็มีม ข, ข้างในก็มีเล้ยข้างนอกข้างในก็ยังติดตามเราได้เลี้เลี่ยงนี้จากข้างนอกข้างในก็ติดตามกันไปเพราะาตขันท้องเหนัน้นขันขันก็คือขันท่าทาคือทา่อทาสี่ท้องหนอนถ้าไม่เลี้ยงด้วยอุบายปัญญา เจะิญนายสิ่งภายนอกที่อยกว่าโลกภายนอกเจะิญนายสิ่งภายในคือโลกภายในธาตุขันธ์ภายในให้เห็นตามหลักความจริ ง, งโดยทางกันหยั่งอยู่ที่ไหนก็พอปฏิบัติต่อ ก, กันกับโลกอยู่กับโลกก็โลกก็มันทําให้เดือดร้อนเพราะคนไม่เกี่ยวข้องหรือตนไม่หาเรื่องราเอาเรื่องของโลกเข้ามาเผาใจ มีผู้มีหลักธรรมะเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับสัมผัสแต่ทางไหนก็ตามต้องให้มอบให้เรื่องของสติเรื่องของปัญญาเป็นผู้วิาพากษ์ิจารณ์พินิจพิจารณากล่นกรองดูเรียบร้อยแล้วค่อยหยิบไว้สําหรับเป็นประโยชน์แก่ตัวมือเจ็บไว้สําหรับเป็นประโยชน์แก่ตัวต่อไปถ้าเห็นว่าไม่ควร แม้จะอยากแสนอยากก็รีบผักดันออกไปด้วยอุบายของปัญญาคือหลักเห็ุผลทันทีไม่ฝืนไม่ฝืนดื่มไม่ฝืนรับทานไม่ฝืนดูไม่ฝืนฟังไม่ฝืนสัมผัสไม่ฟืนคิดใสนี่คือว่าผู้ปกครองตนเองแท้โดยธรรมะ้านออกจากนี่แล้วเป็น ที่เชียงไทยจะเรียนรู้มากน้อยไม่สําคัญเพราะคำว่าเรียนนั้นอะเรียนด้วยกันทุกคนทางตาเห็นก็เป็นอันรู้สึกเข้าถึงใจหูฟังก็เป็นอันทราบเข้าถึงใจอันใดมาสัมผัสทางกา ท, ทุกส่วนจะต้องอย่างเข้าถึงใจเกิดความรู้ขึ้นมาชื่อว่าเป็นการศึกษาการ เ, เรียนด้วยกันเท่านั้นแต่จะมีสติปัญญา กา ร, รองเอาตามสิ่งที่มาสัมผัสรับรูบร้นั้นถ้าเกิดประโยชน์หรือความที่หาอย่างไรหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องอเพราะฉะนั้นผู้ศึกษามากน้อยทําตัวให้ล่มจมจริงจริงจนวนไม่น้อยบาดเดินในโลกเหล่านี้เพราะหาดธรรมะคือเครื่องยับยั้งช่างตัวหากปติปัญญาเป็นเครื่องกันตรองให้เห็นควรไม่ควรก่อนแล้วค่อยผ่านไปหรือค่อยยึดไหม นี่ลหลักสาคัญยิด <c> ท <oughs> ้าเคยอยู่ในกรอบร้องเหตุผลแล้วจะไม่ฝืนไปถ้าเคยเลยเถิดเสมอไม่เคยสนใจในเรื่องหลักเหตุผลที่จะปกครองตนแล้วอะไรก็ต้องเป็นประการความคิดความอยากทั้งนั้น่ัานาน้าก็ไม่มีแอ่งสาหรับเจ็บ หลาตเตลิดเปิดเปิมตามลำคลองไปหมดพอฝนขาดบ้าน้้ำก็ขาดลำคลองไม่มีเหลือถ้ามีที่เก็บไว้บ้างฝนตกก็ตกลงไปเมื่อฝนดุดน้ำก็ยังมีที่ถัง <c oughs> นี่ก็ตัวให้เทียบดูครับกระแสของความคิดที่ มีความอยากจนเครื่องผักดันออกมานี้จะมีแต่หลายลงต่ําท่าเดียวเท่านั้นโดยไม่มีการยับยัง้งหรือหยุดได้แม้แต่ขณะถ้าไม่คช้ปัญญาที่จะนางกากรองดูให้เห็นเหตุผลแล้วยับยัง้งตนไว้ด้วยเหตุผลแม้จะอยากก็ไม่ยอมฝืนจนจิตมีความเคยชินต่อเหตุผล <Yeah. S 2> ไปไหนก็มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องปกครองตนเสมอไม่ค่อยเสียหรือไม่เสียถ่าต่อยเลยตามเลยแล้วจะเรียนรู้มากน้อยเท่าไรไม่เป็นปัญหาทั้งนั้นเพราะความเสื่อมเสียนั้นไม่ขึ้นอยู่กับความรู้แต่ขึ้นอยู่กับภาคปฏิบัติของผู้จะทำตนให้เจอนั้นมีอุบายวิธีที่สมควรแต เหตุผลที่ใช่เกิดประโยชน์จากตนแล้วทาลงไปเท่านั้นนี่เป็นสิ่งที่รับรองความเจริญได้แต่เพียงความรู้จะเอามาอวดอ้างกันีเฉยๆว่าเรามีความรู้ mm. เพียงเท่านี้นั้นไม่ได้เอาไปใช้นําไปใช้ประโยชน์ไม่เกิดผลอะไรเลยเหมือนอย่างเครื่องมือของเราจะมีอยู่เต็มบ้านเต็มเรือนก็ตายไม่นําไปใช้ประโยชน์มันก็เป็นเครื่องมืออยู่อย่างนั้น้าจเกิดประโยชน์อะไรให้แต่เรามาก ถ้านำไปใช้เราจะมีสองขี้นสามขี้นก็ตามเครื่องมือแต่ใช้สําเร็จประโยชน์ก็เกิดขึ้นมาตามฐานะของตนในเครื่องมือที่มีอยู่มากน้อยมีหลักธรรมมากก็เหมือนกันที่จะศึกษาเรียนมามากน้อยนำไปปฏิบัติก็จะเกิดผลประโยชน์แา่ตนเช่นนั้นเหมือนกันเรียนมามากแต่ไม่ได้สนใจหรือไม่ได้สนใจธรรมะเลยเรียนทางไหนก็ตามแต่เป็นผู้เรียนมากศึกษามากหากไม่ได้สนใจในหลักการปกครองตนเองอย่างนี้มีทางที่จะเสียได้เพียเดียวคนผลประโยชน์มันก็เกิด ยินเฉพาะจิตใจด้วยแล้วต้องอาศัยเหตุผลกันสิ่งคั้งขังในการปฏิบัติต่อตนเองไม่ต้องพูดถึงเรื่องสิ่งภายนอกอะไรมากพูดแต่เรื่องของใจที่แสดงออกเดียวกับสิ่งภายนอกเป็นอย่างไรบ้างการสุขทรรมพัฒนานตนเองทำอย่างไรได้ผลแค่ไหนต้องสังเกตเสมอใจ น, นี้ถ้าได้พยายามฝังเข้าสู่ภายในกายกตาสติที่เรียกว่าองค์แห่งเอเยสัต์มีอยู่ที่นี่แล้ว จะไม่เป็นอย่างอื่นขึ้นมาถึงทุกข์ก็ทุกข์เพื่อสุขทุกข์ก็ทุกข์ในเวลาทํางานแต่ผลคือความสุขต้องความสงบสุขของใจจะต้องแสดงตัวออกมาฮาใจของเราได้อย่างเข้าสู่กายร่างกาซึ่งเป็นราักฐานปัจจุบันอันเป็นที่สร้างแห่งสติปัญญาด้ว ย, ยีจะไม่แสดงผลอย่างอื่นขึ้นมาคือความทุกข์ร้อนต่างๆที่จะเพิ่มพูมิิเลขึ้นมาที่ใจไม่มีส่วนความทุกข์ในทางร่างกายนั้นมีบ้างเป็นธรรมดา แต่จะสั่งสมเกียรติขึ้นมาภายในใจนั้นจะเป็นภายในไม่ขอให้พิจารณ า, าตามให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเในองค์ของสายสุาตากุศลไม่มีอะไรเสี่ยงมีเคยจะได้ให้ฟังหลายครั้งแล้วการาาสุตตากุศลพิจารณาอย่างไรจึงเป็นการสุตาตากำหมดให้รู้สึกอยู่ภายในร่ า, า, างกายของตัวเอง น, นี้ก็จัดว่าเป็นเป็นท่านอย่างนี้ย ความแยบคายที่จะขยายออกไปในวงกว้างวงแคบแต่ตามแต่สติปัญญาของตนมันเป็นกา ร, รตาเป็นชั้นๆเข้าไปกา ร, รตาจะสิ้นสุดได้ในเมื่อจิตได้ผ่านกา ร, รตาลงไปโดยไม่มีความคิดมั่นถือมั่นในกาอันเนื่องจากความพอของสติปัญญาข้าหมุนแล้วปล่อยวางรู้เข้ากุลหนหง การศึกษาจะจะหมดปัญหาในระยะนี้ระยะหนึ่งจากการบําเพ็ญนอกจากจะเป็นนิหารธรรมในวาระสุดท้ายเท่านั้นส่วนเป็นนิหารธรรมในวาระสุดท้ายนั้นจะแ ย, ยกขันไม่ออกนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงพระวองค์สุดท้ายที่ได้ทำมาปัจจุบันคือการบําเพ็ญเพื่อความอยู่สะดวกสบายในระหว่งางขันธ์กับติกนั้นพระพุทธเจ้ารักษาบุค จะลดละเรื่องการเจริญตาสตินี้ไม่ได้เหมือันแต่พิจารณาเพื่อเป็นมิหาธรรมเท่านั้นไม่มีความมุ่งหมายที่จะพิจนาถอดถอนที่เรียกอุปทานที่ยึดมั่นถือมั่นในภาคผีคือกองการเจราญตานี้แต่อย่างหลักนั่นเป็นความจําเป็นขั้นหนึ่งต่างจากขั้นของการมาถคือเป็นความจําเป็นสําหรับเป็นมิหาธรรมของพระเจ้าชั้นยึดถือที่บุคคลเป็นความจําเป็นประเภทนั้นแต่เป็นความ กาจะเป็นของพวกเราท่านท่านทั้งหลายซึ่งมีอุปทานเป็นจิตเป็นใจเกี่ยวกับการเป็นความจําเป็นอย่างหนึ่งที่เราจะต้องพิารณาเพื่อถอดถอนอุปทานเนื่องจากความหงุดหงิดในส่วนร่างกายส่วนแลใดถอนตัวกปได้มีเป็นความจำเป็นทางอีองทองอทง้ทำไมจะไม่รู้ถ้าจิตได้อย่างเข้าสู่ที่นี่ด้วยความรู้สึกตัวสมัยทําไมจะไม่รู้ มีผมแปลกใจมากเหมือนกันท่านนักปฏิบัติถ้าจิตอย่างเข้าสู่ที่นีแล้วไม่ปรากฏผลผมว่ายางาังเข้าทเหนือครูกออกไปที่อื่นมีขณะเดียวท่านั้นที่ฝังลงที่กายพอจะเป็นกลายท า, ารกสติได้แลขณะต่อไปนั้นรู้สึกว่าจ ะ, ะเปรตเปิดเินไปร่วมเข้ากองสมุทัยจะทั้งสิ้นจึงได้สั่งสมแต่คุกขึ้นมาให้เราแล้วก็มาหามาภาวนานกายทารกสติ ผลไม่เห็นปรากฏเลยส่วนไปเป็นผู้สั่งสมสมุทัยในขณะที่ภาวนากายกัสาสติโดยเจ้าตัวไม่รู้นั้นมีจำนวนมากเท่าไหรนั้นไม่รู้สกนี่นหละผลจริงไม่ปรากฏในทา ง, ท, าางาาที่เป็นปรารถนาแต่เป็นปรากฏตรงัข้ามคือสิเที่เป็นปรารถนาเงินจากผิดมันเล็บรอดออกไปอย่างนั้นแหละ การทรมานจิตใจเอาหนักเท่าไรก็ให้ให้รู้จะตายให้เขาได้ ป, ประกาศทางวิทยุสื่อถิ่นก็ให้รู้ว่าผู้ทุกขทรมานจิตใจในั้นจนตายยังไม่เคยเห็นหลักความจริงก็มีอยู่ที่นี่จริงๆไม่อยู่ที่อื่นจริงที่จำปลอมมันมีจํานวนมากเท่าไหร่แล้วเราก็ชอบท่า น, นผลที่เป็นเครื่องตอบแทนเรา ความชอบมันยังคิดเป็นตัวเรื่องความทุกข์ขึ้นพราชอบในทางที่ถูกและในทางที่ไม่ถูกความทุกข์เป็นสิ่งที่เราพึง ก, กลัดถนาก็ต้องแงสดงตัวขึ้นมาเข้าเห็นเป็นทางที่ไม่ถูกแล้วผลจะเป็นทางที่ถูกชอบใจเป็นที่ถึงใจได้พระธรบัติต้องเป็นผู้กล้าหาน อย่านำเมื่ออดีตคือได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งกับวนันนี้มีความลําบากลาบนวันนี้พิจนารณาอยู่วันนี้กำหนวดวันนี้ก็จะลําบากลาบนท่านอย่างนี้ไปดูปกศัพต่อตอนเองบนเพ็ญมาเท่าไรก็ผ่านมาแล้วไม่ทําคํามเชื่อเสียหายหรืมีความโง่เขลาบาปัญญามาเท่าไรไม่ตั้งไปทำหนึ่งในขณะที่ทําถ้าเห็นทุกข์ในปัจจุบันที่แสดงตัวขึ้นมาอย่าไปลือ้อเรื่องทุกข์ที่ในอดีตเป็นมาเพิ่มพูนความทุกข์ในปัจจุบัน จะกลาเป็นเรื่องสมุทยัยแล้วก้าความเพียนแต่ไม่รอดก้าถอนความแปรความเพียนตางถกลาเป็นคุพ่อแท้ก่อนเลยคอยหลังไปไม่รอดหลักปจุบันเป็นสิ่งสำคัญนาทีมีอันเดียวที่จะพิจารณาจิตให้รู้เรื่องกระแสของจิตแสดงตัวออกับด้วยสติส ป, ปัญญาท่านั้น เป็นเครื่องกำกับให้รู้ทำไมก็ไม่รู้นี่ก็ไดฝึกมาเต็มกำลังของตัวเองเวลามันผเรื้อก็ไม่มีอะไรจะเทียบเวลาน่สงบสมายด้วยอุบายต่างๆของเราที่เข้มแข็งอ่านวามกันอยู่มันก็รู้สึกว่าเป็นของอัศจรรย์ยิ่งเหมือนกันในบางกาลบางเวลามีมายถึงขัน้นเริ่มแรกกันอย่าง ต้องลงกันอย่างหนักบ้างมันอย่างนั้นไม่พอมันขนองมากเราต้องฝึกประมาณกันให้หนักเหมือนอย่างตักตัวขนองแต่ทำค่อยๆเบาๆมือมันไม่ได้เดี๋ยวถ้าเป็นควายหรือไปรัวก็คนตัวเองผิดตัวเองให้บาดแต่ของต้องตาดออกให้หนักมื อ, อมีจิต ท, ที่มันกำลังแสดงตัวในลักษณะ ของสัตวตัวขนองเช่นนั้นก็ต้องทําให้หนักหนึบบังคับให้อยู่ในกรอบของธรรมะไม่มีอะไรเสียหายการบังคับตัวเองจะเป็นทุกข์ก็ทุกข์เพื่อสุขมาจช่ทุกข์เพื่อเพิ่มทุกข์ขึ้นไปในทางจัจทุกข์ทางกายจริงแต่เพิ่มความสุขขึ้นในทางจัจความทุกข์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขณะที่เราทําความเขียนนี้กับความทุกข์ที่ผ่านมาแล้วสีมากน้อย แล้วจะเป็นความทุกข์ต่อไปอีกข้างหน้ามีเท่าไรอะไรจะมากกว่ากันอดีตผ่านมาแล้วเท่าไรและเราคติเป็นไปข้างหน้านั้นเท่าไรกับปัจจุบันคือการประกอบความเพียรเป็นทุกข์ดูนำ้ำดนบนัดนี้มีจานวนมากเท่าไร่เราเอามาช่างกันดูไหนจะระเหยได้ร่อนหาทิที่หลักปากผิดปักใจให้ตัลงไม่ได้มีอย่างหรือหน้าปฏิบัติลองนามาช่างตวง ถ้าเมื่อข้างตัวได้เหตุตามเหตุผลตามเหตุผลแล้วนั้นข้างหน้าก็กับข้างหลังมันสองแล้วว่าไงปัจจุบันมีเพียงอันเดียวทำไมจะไปสู้สองอย่างได้คเพียงเราจะทนความทุกข์ความทรมานในขณะที่ทําความเพี่ยนนี้เท่านี้ก็ไม่น่าแล้วไหนเราจะไปสามารถทนความทุกข์ความทรมานในอนาคตซึ่งจะมีมาไม่รู้กี่ฝักขีดกันในตัวของเราคนเดียวซึ่งจะเป็นผู้แบกบทุกข์อยู่ตลอดเวลา เกีเ่ยนไปอดีตผ่านมาแล้วก็ทราบามาแล้วคําทุกข์ในระยะนี้กับความทุกข์ที่เป็นข้างหน้านานเท่าไรมากเท่าไรทไําไมเราจะอาหานต่อสู้ด้วยทนต่อสู้ด้วยไม่มีเหตุมีผลอะไรเลยนีอย่างเลยทางช่างที่เราก็ทรงธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเหตุผลรวมๆอยู่ในตัวของเราทําไมเราจะเป็นผู้ถอยหลังต่อ ก, การไปเพื่อปฏิบัติําจากสิ่งที่จะให้เกิดความทุกข์ขึ้นภายใจิตใจและความทุกข์ที่มีอยู่แล้วให้หมดไป เราจะทนไม่ได้หรอการเท่าลบท่าจุดถ้าไม่ตายฮะขอให้ได้ชัยชนะนี่เป็นหลักของนักรบในสงครามเป็นหนหักมีสงครามระหว่างยุเลตกับจิตก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเรือสงครามภายใหม่เอาไม่ตายให้ใชนะชนะแล้วจะไม่ต้องกลับมาเกิดแบบกองคุกอีกต่อไป ขันจับไวว่าการชนะตนนั่นแหละเป็นประเรสริด็จเราเคยชนะตนไหมเราถ้าเราเราอยากเป็นผู้ประเสริฐสุดเราเคยทําความเพียรเพื่อชนะตนได้สักกี่ประโยคแต่เคยแพ้ตนมากี่ครั้งกี่หนแล้วควรจะนํามาทดสอบกันดูถ้าเราเป็นนักก็จริงๆเพื่อหวังความสุขความเดินและความประเสริฐจริงภายในกรอบของธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงควรคิดให้ดีเราจะเอาความโง่เขาว่าปัญญาความขี้เกียดที่ค้านทํามหมดแอร์เข้ามาเป็นเจ้าเรือน บ, บังคับทํา อันดีของเราหายไปหมดยังปรากฏอยู่ตั้งแต่ความท้อแท้ออแความเห็นแต่ปากแก่ท้องเห็นแต่หลับแก่นอนอยู่ภายในใจเห็นแยงเข้าไปก็ไม่มีที่ที่จะแยงมันเต็มไปด้วยชีเลตกับเพลิงเหล่านี้ทั้งนั้นธรรมะจะหยอดลงที่ไหนเมืม่อมีแต่สิ่งเหล่านี้ปิดกั้นทั้งหมดแล้ถ้าเป็นหม้อกับคว่ำปากลงเอาก้นขึ้นเอาน้ําหาสมุดมาเทมันก็ไหลทิ้งไปหมดไม่มีอะไรจะค้างอยู่ในหม้อ ลูกที่ผูกความไว้นั้นแล้วเราทํามันความจากหลักธรรมะแล้วก็ต้องเป็นเช่นนั้นเมือนกันโมฆะบุคคลก็คือคนประเภทนี้โมคฆะในตัวเราก็คือเราซึ่งทําตัวให้เป็นประเภทที่ด่างนี้เราต้องเอามาคิดอย่างนี้การฝึกฝึกสาวลมหรือการฝึกทรมานตนต้องหาบาวิธีต่างๆฝึกตนการดูดาว่าก่าวการฝึกตนนั้นหนักจะเบาบ้างไม่มีอะไรเสียหายไม่ตีด มีการกระทบกระเทือนถึงใจให้เกิดความเครียดแค้นไม่เหมือนบุคคลอื่นที่มาฝึกทรมาณด้วยดุกาลภาษาเราต้องติดกันทั้งโลกทีเียใจแสนใจขนาดนั้นครูปฏิบัติต้องหาเหตุผลหาความเจริมาแก้ความโง่ของตนอย่าเอาความโง่เข้าไปแก้ความโง่เนี่ยมันจะเป็นการหนึ่งก็หนึ่งเป็นสองขึ้นมาความโง่ดั้งเดิมก็มีอยู่แล้วความความโง่อันดับต่อไปก็เพิ่มมนอีกเป็นสองเป็นสามสร้างสมนตั้งแต่ความโง่ความ เขาบอกปัญญความที่เกลียดที่ขัา้นมันยังทถึงยังลงมันเต็มไปด้วยความโง่เทนั้นตัวของเราตั้งตัวหารธร ร, รมะที่ไหนจะส่อแสงสล่างออกนิบนึงมันก็เป็น ม, มันเป็นเท่นั้นความวิเศษจะมีอยู่ที่ไหนถ้ปาปรากฏว่าความวิเศษที่โถอะไรจะเกิดขึ้นกับอลักษณะที่กล่าเหล่านี้พักษณะความเกลียดทีกขั้นที่มีฝังอยู่ใ น, ในหัวใจของบุคคลนะถ้าฉันพิจารณให้ดีถึงจะเป็นจะตาขึ้นมาจริงๆมันจะทนไม่ไหวเนื่งความเปลียนนี้นะ เป็นที่ทรมานตนเกินไปให้ละนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่าเลิกถึงที่อื่นผู้อื่นพระพุทธเจ้าเคยสลบทลายมาแล้วกี่ครั้งเ ป, ป็นแต่ตัดทะลกแค่ตัดทรลุเพราะนอนอยู่อย่างสะดวกสบายในหอภาสาทนะแค่ตรดทะลุเพราะความลําบากลาบนที่สุดไม่มีใครจะสู้กับพระพุทธเจ้าทามาแข่งขันกันแล้วทั่วทั้งโลกยังมีใครเป็นที่หนึ่งนอกจากพระพุทธเจ้าต้ององค์เดียวนั่นทําเกิดขึ้นมาด้วยความลาบากลบากลบนไม่เกิดขึ้นมาด้วยกัน อ่อนแอท่อ แ, แท้นางปฏิบัติตามหลักธรรมของพระญาติที่เรียกปัจจุาันก็ต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรองอาจก้าหันต่อหลักธรรมที่ชอบก้าทั้งการบำเพ็ญที่จะทําตนให้ยิ่งขึ้นไปก้าทั้งการฉลดดปวดแอบจากที่เรียนทั้งหลายเป็นขั้นชันพวดหรืออิ่มไม่ถือเป็นปัญหาสําคัญสำคัญที่แบบประโยคแห่งความเพียรพยายามของเราวันหนึ่ง ว, วันหนึ่งที่ผ่านไปผ่านไ ป, น ไ, ปได้ความเพียรมากเท่าไหร่จิตใจของเราเป็นยังไง ต้องสนใจในที่จุดนี้ที่เลื่อัญหาอาศวะทั้งหลายเกิดอยู่ที่ชายรงเดียวนี้อยากเข้าใจว่าไปเกิดที่อื่นการแบกกองคุกจะไม่มีผู้อื่นใดเป็นผู้แบบไม่มีสถานที่ใดเป็นสถานที่แบกนอกจากจะแบกที่จิตเขายจิตเป็นตัวสมุทรไทยผู้สั่งสมที่เดชขึ้นมากองคุกกองชาติเป็มีอยู่ในที่นี้การแก้มาแก้ลงที่นี้จะแก้ที่ไหนความโง่ไปแก้ที่เลชตัวไหนขาดบุญลงไปไม่เคยมีนอกจากความขยันหมั่นเพียรความโง่ไปแก้ที่เดชก็ไม่รุดถ้าไม่เอาความฉลาดมาบพ่อเข้าไปแก้ เราต้องคิดให้ดีเราบวชมาเพื่อโง่หรือเพื่อความเฉลี่ยเราบวชมาเพื่อความมันแอนลิความขยันมันเพียรถ้าเราก็ทําตัวของเราให้เป็นแบบเป็นฉบับก็ได้เราจะสอนโลกให้มีแบบฉบับได้อย่างไรเราเป็นคนไม่ดีจะสอนโลกให้เป็นคนดีไม่ได้เราเป็นคนโง่จะสอนคนโลกให้เป็นคนฉลาดไม่ได้เหมือนกันเราต้องเทียบดูตัวขงเราให้ดีการอื่นเราต้องทําตัวของเราให้ดีมีความเฉดี่ยฉลาดนอกข้อภายในตัวสิ่งใดที่เป็นลักษณะของความโง่แก้ลงด้วยปัญญา อัน ญ, ญามีอยู่ทุกแห่งทุกหนมีอยู่ทุกขณะในในเมื่อเรานำมาใชา้ไม่นอกเหนือไปกักแกตรงนี้ถ้าจะปล่อยให้นอนหมูอยู่้นอนอยเหมือนหมูจะราขึ้นเสียงนี้มันก็ได้หากความฉลาดไม่มีวันมันทำจะตลอดวันตาตายชิ้นเปล า, ปลาอุบาห์มีสี่สุดจนต้องทำอย่างนี้แต่การกัดทางนี้ไม่นเนี่ยหาจะดูเบื่อมากาดท่ า, า, านทั้งหลายแต่แสดงอุบาห์ยุคที่จะตุกทรมานจนใหทท้ทุกท่านที่ได้ยินในฝังแล้วนําไปพิจารณา แก่ไดขดับกลงนีื่องสุดทรมานตนได้รับประโยชน์ขึ้นมาเท่าที่ควรแต่อุบายวิธีที่ตนทำได้แค่ไหนพยายามสั่งสมพยายามค้นคิดให้เป็นไปทุกวันทุกวันถิ่งเล็กน้อยที่ผสมกันเข้าโดลยลำดลับญญลำดานั่นแหละจากการถึงของแหญ่โตขึ้นมาถ้าปัญญาเีเ็นน้อยก็จะมากปัญญาทีงยังอ่อนก็จะกลายเป็นปัญญาแข็งขึ้นมาสติที่อ่อนก็จะเป็นสติที่ร่าขึ้นมา นี่เลยปัญหากูตัวคนที่มีความขายันหมั่นเพียรตัวคือคนใช้ความคิดความอ่านแต่ไม้ตัวสําหรับหมูที่ไปรอขึ้นเสียงผู้ใดปฏิบัติตนลักษณะในลักษณะของหมูตัวขึ้นเสียงแล้วกิเลสนอนทับศีรษะยันยังคานอนทับพออยู่วันยังคำคืนยังลุกไม่ยอมให้ตื่นแม้เลยลยกจากนั้นก็ขึ้นเสียงเท่านั้นเร า, าต้องการเป็นเราจะต้องการขึ้นเสียงขึ้นที่ไหน ขึ้นเสียงหรือขึ้นทำแต่ ข, ข, ขึ้นทำก็กล้าตามบันไดที่พระเจ้าสอนไว้มรรคโมีแต่ธมาที่ถีคิดให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างก่อนจะทําจะพูดอะไรผ่านเข้ามาคิดให้ดีสมาธิสงบสมาธิถีส่สมาสังงบดํำริให้ถูกต้องวาจาที่เป็นเฉเนยฉําญอยานำมาใชการกระทําของพระเป็นการกระทําที่ สา ม, าม่นเสมอง่กรอกผลหลักทำนี่ไงทำไปอย่าให้นอกอหัวจากนี้การเลี้ยงชีพก็เหมือนกันเลี้ยงขี้ที่บริสุทธ์ได้มาได้ความบรุไม่ตกไม่รักไม่ขโมยให้ให้มาได้ความผูใ้ใจผู้ใจรับเนี่ยเปียนก็เพียนให้ชอบเพียนในทำผีกับการทำโอกาสไว้แล้ว ในปฎิญาท่านบรรดาทันทีที่จางเราเรีย น, นมาคงจะเข้าใจทางความเตรียมสี่อย่างแล้วมาสติตั้งลงที่กายแล้วมาสมาธิจะปรากฏขึ้นมาในจิตนย่าทางทางของพระเจ้าเป็นอย่างนี้ทางของหมูขึ้นเสียงตรงกันข้ามในศาติทันที ทำ ห, หมูขึ้เสียงนีงคืออยู่เฉยๆใจไม่ได้คิดได้อ่านไม่ใจได้จ้องอะไรเลยนั่นแหละ mm hmm. ท่านน่หมูขึ้นเสียงวันหนึ่งวันหนึ่ ง, นนงปัญญาจะแยบออกมาพอเป็นเครื่องกระดุดใจตนบางอย่างไม่มีเพราะไม่สนใจจากจิตมีเรียกว่าลักษณะของหมูขึ้นเสียงไม่ได้หมายถึงผู้ปฏิบัติการเป็นหมูซะจริงๆแล้วขึ้นเสียง้เขาย่ำลงไปอย่างนั้นนี่เป็นข้อเท็จจริงต่างหากไว้ น, นาําไปที่นี่เจรจาเพื่อแก้ไขให้ไดงเจรียนสภาพแห่งจิตที่ เคยเป็นหมูตัวงโง่ๆตัวไม่คิดไม่อ่านอะไรเลยนั่นให้กลาเป็นผู้ฉลาดขึ้นผสมกับว่าทรงธรรมะของพระเจ้าในหลักแห่งธรรที่กล่าวว่าสมาธิดีสมาสังกโปจนถึงสมาสมาธิจะไม่มีผู้ใดเป็นผู้เป็นเจ้าของสมบัติที่กาหนี้นอกจากผู้ปฏิบัติเท่านั้นท่นขอให้ทุกท่านนปปําทประที่ปฏิบัติการเกิยวกิดตายอย่าไปสงสยัย ไม่มีผู้อื่นใดที่เกิดเจตจิตตายแทนเรานอกสวงเราเป็นผู้เกิดเจตจิตตายมาตลอดกับตบัวละคกันจนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่มีผู้อื่นผู้ใดที่ทํางานแทนกันได้คือเรื่องเกิดเจตจิตตายขอให้ทราบไว้สันติแล้วฝังลงให้ชีวิตถึงตายแล้วครั้งหน้าที่จะเป็นไปโดยลําดับดบดัดนั้นก็คือเราผู้นี้เท่านั้นไม่มีผู้จะทําแทนได้เช่นเดียวกันไหนเราจะเป็นผู้มีความขยันเกิดขยันตายขยันแบบหามทุกมีความทล้าหารต่ออย่างนี้ไม่ใช่ทางนอกจากขยันเปลือง กองเพลิงใหญ่ทั้งสามสี่กองออกจากจุดใจให้บริสุทิเท่านั้นเรื่องความเกิดความ้ายนั้นต่หมดปัญหาไปทันทีทั้งหมดสีที่บริสุทิหมดเชื่อแล้วึมขอหยุติดทางเส้นสาเป็นคนนี้ไปเลย